คาว่าสิ้นคิดเอสิ้นคิดที่ประกอบโดยวิชาความคิดที่ประกอบด้วยวิชามันหมดไปแต่ความคิดที่ประกอบด้วยวิชามีได้เรื่อยๆนะแต่คาว่าสิ้นคิดคือสิ้นปัญญานั่นเองนะสิ้นปัญญา value, มันไปไม่ถูกแล้วทีนี้มันพี่คิดไปก็ไม่ใช่ปัญญาก็มีแต่เรื่องที่ทุกข์ไปเรื่อๆยๆไม่มีใครสิ้นคิดแต่มันสิ้นคิดที่เป็นแต่ความ ค, ความพูดมันสั้นแต่ว่ามั น, มนต้องอธิบายประกอบอย่างีที่ว่าอธิบาย เพราะฉะนั้นเขาสิ้นคิดไม่มีแต่ว่าสิ้นปัญญามีแต่ว่าสิ้นคิดที่เป็นอวิชชาไม่สิ้นที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนกับใบไม้ในป่าเนี่ยไม่เยอะแยะแต่ใบไม้ที่จะเอามาทําปัญญาเนี่ยมันมีอยู่ในกำ ม, มือนี่แหละนั้นในจุดหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านพูดบอกว่าคําที่เป็นกุญแจเนี่ยคือความรู้สึกตัวถ้าหากว่ามันเป็นแม่ของมันลูกของมัน่ มันมีแค่สองสองอันแค่นั้นมันไม่ใช่มีเป็นพวงเนแต่ว่าความแม่กุญแจก็เป็นปรมัตดลูกกุญแจก็เป็นปรมัตดแต่ในส่วนอย่างในปรมัดมีสี่ใช่ไหมจิตเจดสิกรูปก็เป็นปรามัตดจิตเจดสิกรูปนิพานจะเป็นปรมัตดจิตก็เป็นปรมัตดเจดสิกก็เป็นประมัตดรูปก็เป็นปรมัดนิพานก็เป็นปรมัด เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกเป็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นในโลกเนะี่ยมีสองอย่างคือมีรูปธรรมกับนามธรรมนะเรามีกายกับใจมีแค่สองอย่างแค่นี้อุจจยก็มีแค่สองคือแม่กับลูกของมันในโลกทั้งหมดเนี่ยก็มีแค่สองแต่ทําไมมันจึงมีเยอะก็เพราะว่ามันมีสมมุตินะั่นแหละเข้ามาขยายให้มันเกิดขึ้นนะจะบอกว่าอย่างต้นไม้กับกับมเมล็ดไม้เนะี่ย มเมล็ดไม้มีเพียงหนึ่งหนึ่งเม็ดเท่านั้นแต่ในหนึ่งเม็ดแต่มันคอนเทนเอาไว้ซึ่งทุกอย่างรากดอกใบผลเป็นที่หมื่นกี่แสนอย่างอยู่ในมเมล็ดนั้นหมดแต่เมื่อมเมล็ดนี้คือตัวประมัดนี้ได้โดยธรรมชาติทั้งมันอนะ่ะเมื่อไปลงดินเมล็ดที่ลงดินแล้วได้าธาตุดินาธาตุน้ำธาตุไฟผสมประสานเข้าไปมเมล็ดนี้ก็แตกงอกออกรากออ ก, ออกมาเป็นสารพัดอย่าง เป้อยลากพันลากเป็นหมื่นใบแสนใบเป็นหมื่นลูกแสนลูกเป็นหมื่นกิ่งแสนกิ่งเป็นหมื่นก้านแสนก้านออกมาจากเมล็ดเม็ดเดียวเมล็ดมะขามเม็ดเดียวเนี่ยมันมีใบมะขามเท่าไหร่มีกิ่งมะขามเท่าไหร่ออกมาต้นเป็นเมล็ดมะขามเป็นฝักมะขามเท่าไหร่แต่ความจริงมันมีคือเม็ดเดียวคือเม็ดวัตถุของมันในรูปธรรมนามธรรมนี้มีสิ่งเดียวคือในส่วนที่เป็นปรามัตด แต่ตัวเป็นปรมาทันั่นเองเมื่อต้องประกอบด้วยดินน้ำลมไฟคือท่าสีน่นี้มันก็ออกมาเป็นสมุติถ้าไม่มีท่าสีนี้ตัวปรมาทัตความรู้นี้มันก็จะแฝงฝังอยู่ในนั่นแต่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะ ง, งอกมเมล็ดเนี่ยที่มันอยู่ในตะกร้าแต่บุงในซองเน่ยเอาไว้งั้นร้อยวันพันชาบนันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อไปผสมกับดินน้ำลมเอาไปลงน้ำลงดินลงปุ๋ยดูสิ เมื่อกี่วันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นก้างฉันใดความรู้สึกตัวเนี่ยที่เป็นปรมัดเนี่ยเมื่อมันมาประกอบด้วยรูปเพื่อประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยรูปปรมัดตัวนี้ก็งอกออกมาเป็นสมุติต่างๆออกมาเป็นหูดาวจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุสี่เป็นขันห้าเป็นอายัดหน้าเป็นอะไรสารพัดอย่างไปหมดแต่รวมแล้วว่าเป็นปรามัดธรรม เพราะฉะนั้นในภาษาวิทยาศาสตร์ท่านใช้ว่าพลังงานแล้วในส่วนสมมุติทุบมันคือเรียกว่สาสสารเป็นภาษาทางสาสารและพลังงานสาสารคือตัวสมมติพลังงานคือตัวปรมัตดในนามนี้เป็นตัวปรมัตดคือตัวพลังงานในรูปนี้เป็นตัวสมมติก็คือตัวสาสารนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีแค่สองรูปธรรมนามธรรมแค่นั้น คือสมมติปรามัตดแค่นั้นสมมติและปรามัตดรูปธรรมเราเกิดจากอะไรเกิดมาจากกําลังของพลังจักรวาลที่เรียกว่าการเกิดและการดับที่พุทธเจ้าค้นพบในจุตูปปัฏยานเมื่อพบการเกิดและการดับแล้วถึงได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปรู้ที่มาที่ไปว่าที่มาที่ไปทั้งร้ายทั้งปวงมาจากอะไรท่านได้รู้จุดนั้นเทว่าปุเพนิวาสานุสติยานแต่ไม่ถ้าไม่อยากให้มัน เกิดอีกพื่ยากให้มันมีที่มาที่ไปอีกต้องทําอาสาข้อพยานให้เกิดเท่านั้นแต่จริ ง, รงๆแล้วพุทธองค์ค้นพบจุดสําคัญคือจุติและอุบัติเรียกว่าจุตูปปัตยานได้ค้นพบการเกิดดับตรงนั้นจึงได้รู้ที่มาที่ไปของตนเองและตนเองจะอยู่ต่อไปอย่างไรจะไม่ต้องเกิดอีกก็ได้ต้องทําอาสวะพยานให้เกิดแต่ทําอาสวะพยานให้เกิดไม่ได้ไหมายความต้องเกิดอีกต่อไปต้องกลับมาเป็นสมมติอีกต่อไปตรงนั้นเป็นจุดสําคัญคือยานสามที่พระองค์ตรัสรู้ ปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ที่ไปที่มาของตัวเองว่าตัวเองเคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นมาเพราะอะไรเพราะไม่รู้จุดูปปัฏฐญาณพอได้ได้มารู้จุดูปปัฏฐญาณโอไอ้ที่มันเป็นมาทั้งหมดเพราะเราไม่รู้การเกิดดับนั่นเองเพระองค์ก็ได้มารู้การเกิดดับการเกิดคืออุบัติการดับคือจุติเรียกว่าจุตูปปัตฐญาณเมื่อรู้แค่สองอย่างนี้แล้วเราจะเกิดอีกต่อไปไหม ถ้าไม่ต้องการเกิดก็ต้องมาทําอสวรรค์ญาณให้เกิดพระองค์ก็ทําอสวรญาณให้เกิดพระองค์ขึ้นขึ้ประกาศออกมาว่าจะขุงุทัพิจะขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ได้เห็นจุดูปปัตยานะนั้นตัวนี้สําคัญนะปัญญาอุทัพธิจะกขุงอุทัพธิานังเดินเนี้ยการตัวรู้ตัวเนี่ยญาณังอุทัพธิถึงเมื่อเกิดวิชาแล้วก็แสงสว่างเกิดปัญญาวิชาแสงสว่างตามมาตัวนั้นที่สาคัญนะ นั้นเรื่องของอความรู้สึกตัวเป็นภาษาที่หลวงพ่อเทียนนำมาใช้เป็นทั้งเป็นปรมัติเป็นคำที่เป็นปรมาจิตคือรู้สึกตัวคือรู้สึกคือนามตัวคือรูปรู้สึ ก, กคือกุญแจตัวคือแม่กุญแจมันมีแค่สองแค่นั้นเป็นสมมติที่เป็นเป็นคำพูดที่เป็นกุญแจไขออกมา แต่ทีนี้ในชีวิตจระจำวันของเราจะอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างเดียวไม่ได้นะทำไมจะต้องเอาเม็ดถั่วไปลงดินนะทำไมไม่กินมเมล็ดถั่วให้จบมันไม่อิม่มแต่เอ า, มาเมล็ดถั่วไปไปขยายเป็นใบาถัว่วเป็นฝักถัว่วเป็นต้นถั่วแล้วมันมันกินอิม่มในโลกนี้เหมือนกันแล้วถ้าจะใช้ภาษาปรมัตดเนี่ยมันอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีสมมติออกมานี้ถ้าหากเรใช้ปรมามัตดมาก สมมติมันก็ทําให้สมุทัยเกิดทุกขมันน้อยลงแต่ถ้าใช้สมุติมากไปมันทําให้สมุทัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านถึงพอเทีนบอกว่าเวลาเจริญสติเนี่ยให้ความรู้สึกตัวอยู่ที่ตัวเอง 70% ให้ไปรู้ข้างนอกแค่30พอให้รู้ปรมามัดไว้ก่อนชัก 70% ซแล้วมันจะควบคุมสมุติอยู่มันจะกระจายไปไม่ได้แต่ถ้ามันกลับข้างกัน เราไปใช้สมมติเจปร์เซ็ต์ปราแค่สามสบคุมไม่อยู่นะสามสิบจะคุณเจ็บไม่ได้ตามหลักการแต่สามสเจ็สิบต้องคุมสาสิบอยู่คนสามสิบนี่ยจะถูกควบคุมด้วยคนเจ็ดสิบดังนั้นให้มารู้สึกตัวให้เยอะเข้าไว้เพื่อจะไปใช้สมมติสาสเปอร์ซก็พอใช้แล้วแต่คนเราส่วนใหญ่ไม่รู้จักสมมุติปรมัตดที่แท้จริงหลงไปใช้สมมุติเสียมากปรมัตดก็น้อยลงไปนั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์ เพใช้สมมุติมากเกินไปทะนั้นเรารู้สึกทุกก็กลับมาความรู้สึกตัวใหม่ปรมาจิตมันก็เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงก็ดับเข้ามาอยู่ความรู้สึกตัวเรื่องทุงเรื่องมันก็ดับไปดับไปเจ็ดเหลือ3 0มอโอเคควบคุมอยู่ได้แต่นนั้นชีวิตประจำวันถ้าไม่อยากให้มีทุกข์เลยใช้เรื่องสมมุติภายนอกไปพูดจะจะพูดร้อเปอนี่ยคุณพูดแค่3 0ม ให้รู้สึกสิ่งที่จะไม่ต้องพูดอีกเจ็สิบอร์เซนก็จะเรื่องถูกมันก็จะมากขึ้นเรื่องผิดมันก็จะน้อยลงนะลักษณะอย่างนี้ก็จะทําให้เราอยู่ได้แบบสบายสบายแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติวิปัสนาไม่รู้สมมุติปรมัตถ์มันไม่รู้ว่าจะเจ็ดสิเอร์เซในแค่ไหนสามสิบเปอร์เแค่ไหนไม่รู้นะแต่พอมารู้วิปัสนาปรมัตถแบบนี้แล้วมันรู้ว่าเจ็ดิอร์ซ็นมันแค่นี้นะ สามสเซ็มันแค่นี้นะมันก็ควบคุมได้สบายเหมือนเรามีเงินร้อยบาทถ้าเราใช้แค่สามสิบวันหนึ่งแล้วมีอยู่ในกระเป๋าเจ็ดสิบาทเรารู้สึกสบายใจใช่ไหมแต่ถ้า100ร้อยบาทเนี่ยเราเจ็ดไปจ่ายไปเจ็ดิบาทเหลือสามสิบาทนี่ชกักไม่ค่อยเข้าท่าเราอันนี้คือขอ้อแท้จริง <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นคาพูดสมมติมันไม่สมบูรณ์หรอก ความจริงเขาว่ามันไม่ใช่ลราไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราไม่มีสัญญ า, าเราคนยาวส่วนให ญ, ญ่เป็นสัญญาวิปลาดเนี่ยไปสําคัญมั่นหมายว่าร่างกายขัน่าเนี่ยเป็นเราเนี่ยที่มันเจ้าอธิบายก็พอตรงนั้นเองบางทีคําพูดมันเป็ น, เ ป, นเป็นสมบูรณ์ไ ม, ม่สมบูรณ์ในตัวมันเราไปเข้าใจไปว่ารูปไม่ใช่เราเอ๊ะก็เห็นเราอยู่ทูลโทษไม่ใช่เราได้ ตัวนี้เปค้านกับาภาษาสมบูรทั่วไปก็เห็นเราอยู่ทุนโทษมันไม่ใช่ตัวเราได้แต่พรท่านบอกไม่ให้มีความสาคัญมั่นหมายว่าเป็นเราไม่มให้มีอุปทานในนั้นนะมันเป็นไม่มีความสาคัญมั่นหมายตัวนี้สาคัญดันนนตตงนั้นอนะัตตาตัวนั้นกับอัตตาเนี่ยเรามาจะเข้าใจผิด บางแห่งธรรมะเขบอกว่าเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะอัตตาสนะอัตตาทีปาเอาตนเป็นที่พึ่งเอาทําไมท่านบอกให้เป็นไปนใช้ว่ามันเป็นอนัตตาท่านนี้ท่บอกให้ อ, อัตตาอันนี้ภาษาสมมติมันกลับไปกลับมามันเอาแน่นอนไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเอาตัวอัตตาที่ว่าอัตตาสนะอัตตาธีปานะอัตตาตัวนั้นได้แก่ธรรมไม่ใช่ตัวอัตตาที่เราเป็นอีโก้อย่างเนี้ยแต่คาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ก็ามาเถียงกันว่านิพานเป็นอนัตตาด้วยไหมเนี่ยอ่าเนี่ยภาษาสมมุติมันมันตีกันม่วอย่างนี้มันทําให้หาเน้นยากแต่ความจริงทําว่าอัตตาอนัตตามันเกิดมาจากอะไรเรามาดูตรงนั้นอานิจังกับอนัตตาอานิจังคือเกิดอนัตตาคือดับความจริงไม่มีแค่สองเกิดกับดับแต่ทำไมในเมื่อใช้ไม่รู้จักอานิจังไม่รู้จักอนัตตามันทุกขังถึงเกิดเนี่ย แต่รู้จักอ น, นิจจังใชตัวทุกขังก็ไม่เกิดถ้ารู้อนัตตามันดับแล้วก็ทุกขังก็ไม่เกิดอัตตาในส่วนเกินเกิดดับเท่าเท่ากันอ น, นิจจังเราเป็นอนัตตาเลยแต่ถ้าเราไม่รู้มันเกิดและไม่รู้มันดับเมื่อไรทุกขังมันถึงได้เกิดไงรือเป็นไตรลักษณนะ์ของเดิมเขาคือแค่สองอย่างคือเกิดกับดับคืออนิจจังและอนัตตา น, นั่ของเดิมของเขาอนิจจังคืออุบัติอนัตตาคือจุติ รู้จักแคนั้นแต่ภาษาสมมุติมันขยายออกไปตามสมมติตามภาษามันแต่เราไม่เข้าใจปรามาตัตดแล้วมันขยายออกไปแย่ไปหมดแล้วก็งงในคำพูดของตัวเองงงในความคิดของตัวเองพอเข้าใจปรามาัดกลับมาความรู้สึกตัวปั๊บตั้งต้นตรงนี้ก่อนส่วนมันจะเป็นอะไรค่อยค่อ ย, อยตั้งเสร็จการเกิดดับที่มเป็นธรรมชาติอ่าอย่างการเกิดดับที่เป็นธรรมชาติก็สําคัญการเกิดดับที่ได้กล่าวว่ามันมีสีระดับใช่ไหมหนึ่งการเกิดดับแบบทางรูป สการเกิดดับในเวทนาการเกิดดับในจิตการเกิดดับในอารมณ์แต่ที่เรามาฝึกนะ่ยต้องฝึกกับการเกิดดับกับรูปเพราะรูปมันเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ง่ายถ้าหากว่าการเกิดดับในดับรูปสมมุติภาษามันไม่ใช้คําว่าเกิดดับใช้ว่าหยุดกับเคลื่อนหยุดคือดับเคลื่อนคือเกิดยกเนี่ยในพิธีการอุบเทียนมันจะบอกชัดเจ็นคําว่ายกมือเนี่ยมันก็มีแค่สองคือเคลื่อนกับหยุดเท่านั้นเองใช่ไหม เราเข้าไปรู้เคลื่อนรู้หยุดนั่นแหละสติมันเกิดเหมือนว่าเข้าไปรู้เกิดก็รู้ดับสติมันเกิดคาว่าทุกขังมันจะไม่มีแต่ว่าเราไม่รู้เคลื่อนไม่รู้ดับเท่ากับไม่รู้เกิดไม่รู้ดับไม่รู้เคลื่อนไม่รู้หยุดเท่ากับไม่รู้เกิดไม่รู้ดับทุกขังมันยังเกิดแต่รู้แค่เคลื่อนแค่หยุดสติมันเกิดล่ะทุกขังก็ไม่เกิดมันก็กลายเป็นปรมัตขึ้นมาถามว่าปรมัตเกิดจากอะไรปรมัตคือตัวเข้าไปรู้เคลื่อนรู้หยุด ก็คือเข้าไปรู้เกิดรู้ดับแต่พอในภาษาของการเคลื่อนของเวทนาเราใช้ว่าหนักเบาเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงนั่นไปใช้ภาษาเวทนาเป็นภาษาว่าหนักเป็นอะไรเป็นเกิดละเบาความเกิดหายไปแต่ความหนักหายไปความหนักดับไปไปรู้นั้นพอมาในสมมุติของจิต การเคลื่อนไหวของจิตเราไม่เรียกว่าเย็นแ้วนอนแข็งค่งตึงเราไม่เรียกว่าหยุดแล้เคลื่อนเราเรียกว่าอะไรโดยตรงเลยเกิดดับคือคิดไม่คิดรู้หรือไม่รู้อมีราคาหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะนั้นเป็นสมมติของจิตสมมติการเคลื่อนไหวของจิตมีราคาเป็นเกิดไม่มีราคะเป็นดับมีโทสะเป็นเกิดไม่มีโทสะเป็นดับมีโมหะคือเกิดไม่มีโมหะคือดับ นี่สมมติมันก็มันก็แตกต่างออกไปแต่พอไปอารมณ์นะการเคลื่อนไหวของอารมณ์เราใช้คำว่าดีหรือไม่ดีอ่ะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญากาธรรมะก็มีกุศลอกุศลด้วยนั่นเอง <c oughs> นะถ้าหากว่าเป็นอกุศลมันก็เกิดถ้าเป็นกุศลมันก็ดับเห็นไหมเนี่สมมุติมันต่างกันออกไปอย่างนั้น ดันั้นการเคลื่อนไหวจึงมีสีระดับการเคลื่อนไหวของรูปการเคลื่อนไหวของเวทนาการเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนไหวของอารมณ์แต่ให้มารู้การเคลื่อนไหวที่หลักนี้เป็นหลักไว้ก่อนคือการเคลื่อนไหวของรูปคือการเกิดดับของรูปเมื่อเข้าใจตามการเกิดดับของรูปการเคลื่อนไหวของรูปแล้วเวทนาจิตธรรมมันไม่ขยายแต่พอเราไม่รู้ตามรู้ไม่รู้ทานการเคลื่อนไหวคือการเกิดดับของรูปกาย เวทนาเกืเวทนาจิตธรรมมันก็จะเกิดตามสมมติของมันมีอ่าคือตัวอย่างเช่นอยากจะให้การช่วยธรรมะวิจัะคือว่าเมื่อวานเมื่อยังทานข้าวพอทางเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่คํานึงเนี่ยโยมได้กิ่นอาหารชนิดหนึ่งที่โยมไม่เคยได้กลินมาก่อนเพราะนั้นปุ๊บมันติดเราเริ่มรู้สึกอืมแต่พอเรามีสติรับรู้ปุ๊บเราก็เคี้ยวสร้างความรู้สึกต่อ จิตตั้นันก็ไม่ปูงแต่งต่อเป็นว่าชอบไม่ชอบนั่นคือเห็นเกิดดับก็จะเห็นกลับมาอยู่ปรมาติการเห็นการเกิดดับเนี่ยเห็นการเกิดดับความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพอรู้เท่าทันชอบไม่มีความชอบคาว่าชอบกับไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบก็เป็นสมมุติฐเป็นสมมติชอบก็เป็นสมมตินะดังที่ใช้คาว่าชอบและไม่มีความชอบคือไม่มีชอบและไม่ชอบ ในแบบปรามภะมันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันชอบหรือไม่ชอบนี่เป็นสมมติแต่ถ้าไม่มีทั้งความชอบและไม่ชอบมันเป็นปรามัตดไอตัวสติที่มารู้มันไม่ใช่ทั้งสองตัวเพราะตัวสติปั๊บปรามัตดมันเกิดพอปรามัตดมันเกิดสมมติคือชอบไม่ชอบมันกะดับไปไอการที่เราจะกระหือกระตือหรือล้นที่จะกินจะเคี้ยวอย่างมอมันก็หายไปใช่ไหมเพราะคําว่าชอบหรือไม่ชอบมันไม่มีแต่พอเรารู้เพราะนั้นตัวรู้ถึงเป็นตัวปรามัตดเพราะมันเกิดขึ้นปั๊บเนมันคุมสมมติอยู่ไงเราก็จะไม่ไหลตามสมมติ เข้าใจไหมดัะนั้นตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้มากเอาไว้ก่อนเพราะอะไรสมมุติมันเกิดเกิดตามอาวิชชาทีนี้อวิชชามันเป็นฐานเดิมของชีดมาเราเกิดทั้งเนื้อทั้งตัวคือมาจากมันหมดเลยอะ่ะเพราะนั้นาการที่จะไม่เป็นมันถ้าเราไม่ฝึกปรมามัดคือตัวรู้สึกตัวให้มากแน่นอนเราต้องไหลไปตามอาวิชชาดังนั้นทุกวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้อะไต่อสู้กับตัวอวิชชาที่ความไม่รู้เท่าทัน เรามาฝึกตัวรู้สิ่งให้รู้เท่าทันเดียวอวิชามันก็จบก็รู้ในส่วนที่ละเอียดก็คือปรมัตทในส่วนหยาบก็คือในส่วนที่เป็นสมมุติที่เราจะรู้ในส่วนไหนถ้าหากว่าเราไม่รู้ปรมตทมาก่อนเราจะพยายามรู้ละเอียดัไมันก็ยังเป็นสมมุติอยู่ดีเพราะนั้นคำว่าละเอียดหมายถึงตัวปรมาตัวอยาบหมายถึงตัวสมมติตัวหยาบหมายถึงตัวเกิดตัวละเอียดหมายถึงตัวดับ มันเป็นมันไปจากภาษาสองภาษานี้เท่านั้นแล้วแต่เราจะสมมติให้เป็นคําอะไรแต่เราจะต้องเข้าใจหลักของมันถ้าเราไม่เข้าใจหลักการเกิดดับแล้วเราจะสับสนมากเลยธรรมะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่พุทธศาสนามันยากเพือาศัยคนที่มีปัญญาเท่านั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านยั ง, ย, งยังพูดถึงเรื่องนี้เลยพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนที่มีปัญญาแล้วในโลกนี้คนที่มีปัญญ า, าจริงมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผล่าวว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวเนี่ยครอบคลุมทั้งโลกนี้ไม่ได้ เพราะคนในโลกนี่มันไม่ใช่ว่าคนจะมีปัญญาเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ที่ท่านก็กล่าวไว้เหมือนกันท่านจึงให้เกียรติกับศาสนาทุกศาสนามาช่วยกันจะพุทธศาสนาทั้งหมดไมนได้เพราะคนทั้งโลกมันไม่ใช่ว่าคนที่จะมีปัญญาเท่าไหร่แต่สําหรับคนมีปัญญาเนี่ยจะดูแลโลกใ ห, ให้สงบเย็นได้แต่ในยุคใดสมัยใดถ้าโลกนี้มันเต็มไปได้วยคนไม่คนไม่คนมีปัญญาไม่มีโอกาสดูแลโลกโลกก็จะเดือดร้อ น, น, นในโลกนี้เขาจึงคัดสรรผู้นําที่มีปัญญาขึ้นมาดูแล ในผู้นำในกลุ่มผู้นำต้องคัดสรรคนมีปัญญาขึ้นมาดูแลเพราะคนที่มีปัญญาโน้ตลงไปมันมีเยอะกว่าอันนี้คือหลักการของการปกครองหลักการในการดูแลตัวเองเราก็ต้องมาคัดสรรตัวปัญญาที่เป็นปรมัตมาดูแลตัวเองแล้วสมมติมันจะไม่ไปเพ่นพ่านหรือไปสร้างทุกข์แต่ถ้าเราไม่มาสร้างปรมัติตัวปัญญาเนี่ยให้เกิดขึ้นกนเราต้องเดือดร้อนทุกคนต้องเป็นทุกทุกคนเกินมาเท่าไหร่ทุกเท่านั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงหาทางออกไง เพราะถ้ามาเจอหลักปรมาจอรยอตรงนี้เองท่านก็มาดูแต่ตัวกันมารู้การเกิดดับจุดสําคัญในการศึกษาลของพระพุทธเจ้าคือการรู้การเกิดการดับคือจุดตัวประปัญญาถ้าไม่รู้จักถ้าท่านไม่รู้จุดตูวประปัญญาท่านจะไม่รู้ปุเพนิวาสานุสิยานท่านจะไม่รู้ว่าวิธีเอากิเลสออกคืออาศัวกายายานแต่พอท่านมารู้ตัวจุตูวประปัญญารู้จักอุบัติเรว่าการเกิดขึ้นตัวนี้สําคัญดังนั้นวิธีการลองประเด็นท่านจะมาเน้นความรู้สึกตัว มารู้การเกิดและการดับของกายแต่ท่านใช้สมมติการเคลื่อนและการไหวเข้ามาเป็นอุปกรณ์ตรงนี้คือความวิเศษของหลวงพ่อเทียนแต่ก่อนหน้าท่านเสอนสอนกันแต่ท่านไม่ได้เน้นท่านเหล่านั้นไม่ได้เน้นแต่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นเท่านั้นเองตรงนี้จึงกลายเป็นหลักของหลวงพ่อเทียนขึ้นมาตรง้วยว่าท่านเน้นให้เห็นชัดสามสิบปีของท่านท่านสอนแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องรู้สึกดัวนะเรื่องรู้สึกดัวพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องพุโทโธ ตัวรู้ตื่นเบิกบานสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่สมมุติมันเยอะมันหลายคนอย่างที่ว่าหลายคนหลายนิสัยหลายทิฏฐิหลา ย, ลายความเชื่อหลายและที่ศาสนามันจะต้องอธิบายไปมันถึงกลายเป็นเรื่องเยอะอยงไงนะเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเร า, าจับความรู้สึกตัวเนี่ยให้ชัดไว้ก่อนอะไรเกิดขึ้นก็ตามมาตั้งต้นตรงนี้แล้วทุกอย่างมันจะเคลียร์แต่ถ้าตั้งตัวนี้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จัก ถ้าเรารู้จักปรมัตคือตัวตัวรู้สึกตัวเนี่ยอย่างชัดแจ้งเห็นคุณเห็นค่าแล้วเราจะเน้นตัวนี้เอาไว้เป็นที่พึ่งพุดทางธรรมสังขังสสังข้าฉามิความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานนี่แหละเป็นตัวพูดทางธํรมสังขังรู้พุดทังตื่นธรรมังเบิกบานสังขังรู้ตื่นเบิกบานคําเดียวกันนาะคอนโทรวไว้ทั้งพูดทางธํรมสังขังเราก็มาเน้นตัวรู้ตื่นเบิกบานก็มีพระ อาตนาไตรเป็นที่พึ่งแล้วนั้นเราจะเห็นเวลาเราสวดในเขมาเขมาสูใช่ไหมโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังขัญจะสรรนังขาตดาท่านขยายมาว่าพุทธพุทธันพุรธสงนี้หมายถึงอะไรเพื่อนทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสะสัจะอติ ก, าากมังอริยจะทั้งกิกางมาขังทุกขู่ปสะมค า, ามีนางคือเห็นการเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุก เห็นการดับทุกข์นี่คือเห็นพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงพึงได้เอตังโคสะระังเขมังเอตังสนงมุตมังใช่ไหมที่เราสวดดังนั้นเห็นอริยสัจอ่ะมาดูอริยสัจอีกว่าเห็นอริยสัจแบบไหนถึงจะว่าเห็นพระพุทธธรรมประสงค์อริยสัจยอดมีสองอย่างใช่ไหมทุกข์กัสมุทัยเป็นรูปนิโรธกามมรรคเป็นนามทุกข์กัสมุทัยเป็นเกิดนิโรธกามมรรคเป็นดับแค่นั้นเอง พอเรามารู้เป็บรูดับรู้รูปรู้นามก็รู้อริยสัจสี่แต่ประการสําคัญเรารู้จริงไหมถ้าไม่จริงตรงนั้นแหละมันมีปัญหาเราจึงมาเน้นให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่บอกได้กล่าวแล้วว่าความรู้สึกตัวมีสองอย่างนะความรู้สึกตัวของรูปและความรู้สึกตัวของนามคุณต้องแยกให้ออกความรู้สึกตัวของรูปเป็นสมมุติความรู้สึกตัวของนามเป็นปรมัทิตย์ถ้ารู้ชัดอย่างนี้คุณก็มาจับแต่รูปแต่นามให้ชัดไว้เสมอ เอาไว้เป็นที่พึ่งพ่อรู้ว่าปรมาติรู้ว่าสมมุติมันมีเยอะแต่ต้องใช้มันใช้มันให้ถูกอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าใช้ไม่ถูกเราเดือดร้อนแต่ถ้าใช้สมมุติถูกเราสบายทำไมไมันถึงถูกเพราะอัตราส่วนมันควบคุมด้วยปรมาติถึงเจ็ดสิบอร์เซนตแต่คุณใช้สมมติถึง 70% ็ดสิบเอร์เซนตคุณมีปรมาติแค่ส0มสิบซนตคุณก็เดือดร้อนละ นพเเทียนท่นกลาวเป็นปิศนาไว้ว่าให้มารู้ตัว 70% ็ดนะสิบอร์ซนะข้างนอกจะ3สสิบอร์ซก็พอแล้วอ่า น, นั้นเองในวิธีการจึงเน้นให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้ใครจะว่าอะไรเป็นบ้าเป็นหลังก็ด้อให้รู้สึกตัวไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> คุณจะว่าใครเปนนั่นแหละมันคล้ายๆอย่างนั้นนมนพไนร์ <c oughs> <c oughs>